เป็หมอสบายดีเลยดีขึ้นน ห, หน่อยมาแล้วตอนนี้ไม่ไดังจังหวัดลงปูแยงมาประเดีช่วงนี้เอาเงินไปถวายปัจจัยร่วมก่อสร้างตึกหัวใจเพื่อแผ่นดินะคะการจะเสร็จได้ยังขาดอีกสามร้อยล้านบาท <c oughs> ขาดอีกสามร้อยล้านาเอารวมบุญเพื่อนๆไปถวายได้เจ็ดล้านอสองแสนบาทฉันบอกเป็นแค่ค่าแรงคนงานได้สองเดือนเลยะค่ะอืมมันทั้งหมดกี่ล้าน สีร้อยล้านนะคะเพราะว่ามีค่าอุปกรณ์อะไรด้วยแต่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสูงใหญ่ซึ่งจะรับคนไข้ได้เยอะตามแถบอีสานแล้วก็หลวงปู่รู้สึกจะไปคุ้มงานทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวก็ได้เองท่านต้องบอกเดี๋ยวบารมีพระพุทธเจ้าก็ทำให้สำเร็จเป็นงานการกุศล ไม่มีใครได้ผลประโยชน์ทำประโยชน์เพื่อสังคม<ำ>เพื่อโลกเหมือนลงตาท่านก็ทำประโยชน์เพื่อโลกก็ได้ทองได้อะไรเป็นเป็นพันล้าน<ำ> <c oughs> เยวถึงเวลามันก็มา เงินทองก็เป็นของในโลกนี้ไม่มีใครเอาติดตัวไปได้เงินทองก็มีไว้รับใช้ร่างกายของเราให้ร่างกายเราอยู่อย่างสุขสบายมีปัจจัยสมีอาหารมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหง่มมีที่อยู่อาศัยพอเรามีครบแล้วมีมากกว่านั้นก็ไม่ไม่เป็นประโยชน์อะไร พอไม่สามารถเอาไปให้ความสุขกับจิตใจได้จะให้ความสุขกับจิตใจก็ต้องเอาเงินทองที่เหลือจากการใช้ในการดูแลร่างกายนี่เอาไปทำบุญพอเรา เ, อาเงินทองไปทำบุญเราก็จะได้บุญที่จะเป็นความสุขของใจ สราเงินทองไปซื้อความสุขทางร่างกายก็จะได้ความสุขปลอมได้ความสุขเดี๋ยวเดียๆเช่นเราไปเที่ยวเราก็ได้ความสุขตอนที่เราไปเที่ยวกันพอเรากลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปความอยากเที่ยวก็มาอีกก็ต้องไปเที่ยวอีกถึงจะมีความสุขถ้าไม่ได้เที่ยวก็กลับ เป็นความทุกข์ไปแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้มาทําบุญเราจะได้ความสุขใจอิ่มใจที่ไม่ได้หมดไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับการไปเที่ยวเราทําบุญแล้วความอยากไปเที่ยวก็ไม่มีทําให้เราอยู่บ้านเฉยๆได้อยู่ไม่ได้ทำอะไร ก็มีความสุขอ ย, อยู่เฉยๆก็มีความสุขเพราะบุญที่เราทำมันเป็นเหมือนอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจทําให้ใจไม่หิวกับความความต้องการไปทําตามความอยากต่างๆการทําบุญนี้เป็นการมาละสลายความอยากใช้เงินไปในทางที่เป็นโทษอ ใช้เงินไปในทางที่ทำจะให้เกิดความอยากขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เช่นเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อแล้วมันแทนที่จะพอมันไม่พอมันกลับอยากจะซื้ออีกอยากจะได้อีกไปเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวอีกแต่ถ้าเอาเงินไปที่จะใช้กับสิ่งเหล่านี้ไปทำบุญมันก็ทำให้ความอยากเที่ยวอยากใช้เงินต่างๆมัน มันน้อยลงไปถ้าเราทำเรื่อยๆต่อไปเราจะไม่มีความรู้สึกอยากจะเที่ยว อ, อยากจะซื้อของฟุ่งเฟยต่างๆเพราะใจเรามีบุญมีความสุขใจที่เกิดจากการทำบุญนำงับความอยากต่างๆความอยากใช้เงินต่างๆได้นี่คือหน้าที่ของเงินทอง ที่พวกเรามีอยู่ส่วนหนึ่งก็ต้องอมีไว้สำหรับดูแลร่างกายเพราะร่างกายถ้าขาดปัจจัยสีร่างกายก็จะต้องทุกข์ยากลำบากหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตไปเราก็ต้องมีเงินทองส่วนนี้ไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายแต่ถ้าเรามีมากกว่าที่เราจะใช้ กับการดูแลร่างกายนะก็อย่าเอาไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นเอาไปทำตามความอยากต่างๆเพราะมันจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจแทนที่จะให้ความสุขกับใจมันจะสร้างความอยากให้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆไปเที่ยวครั้งหนึ่งแล้วก็ติดใจอยากจะไปเที่ยวอีกไปซื้อของแล้วกลับมาบ้านเดี๋ยวก็อยากจะไปซื้ออีก ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พออยากอยู่เรื่อยๆเหมือนคนที่ซื้อสุรามาดืม่มซื้อสุุรีมาสูบพอดื่มแล้วสูแล้วเดี๋ยวมันก็ติดต้องสูบอยู่เรื่อยๆต้องดื่มอยู่เรื่อยๆถ้าเที่ยวก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆถ้าไปช้อปปิ้งก็ต้องไปช้อปปิ้งอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเงินที่จะมาทำ ตามความอยากนี้มาทําบุญมันก็จะทำลายความอยากใช้เงินต่างๆได้ทำให้เราอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านเฉยๆราจะทำให้เราไม่ต้องวุ่นวายกับการหาเงินมากเกินไปหาเท่าที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดูร่างกายถ้าเราทําอย่างนี้ เวลาที่เราจะต้องไปหาเงินเวลาที่เราจะต้องไปใช้เงินก็จะก็จะมีมาไว้สำหรับการมามาวัดมาศึกษาพระธรรมำคำสอนมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมกันนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการใช้เงินในการทำบุญ คำว่าการทําบุญนี้ก็คือทานเอาเงินที่เรามีอยู่นี้ไปให้ผู้อื่นเพราะฉะนั้นให้ขายก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องให้กับวัดเพียงเหี้เดียวที่ครูบาอาจารย์ท่านต้องเอาเงินที่ญาติโยมมาทําบุญกับวัดนี้ไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนก็เพราะว่าญาติโยมเข้าใจผิดคิดว่าบุญนี้จะได้บุญต้องมาทําที่วัด ก็เลยเป็นภาระกับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ผู้มีที่มีความบริสุทธิ์ใจที่ไม่มีกิเลสตันหาที่อยากจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากของท่านท่านก็ต้องเอาเงินนี้ไปทําประโยชน์ให้กับสังคมไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างซื้อเครื่องมือแพทย์ทาประโยชน์อะไรต่างๆให้แก่สังคมอีกที่หนึ่ง จใจพระเพื่อทำงานควจึงนั่งนคนจะมานั่งเทศสั่งสอนญาติโยมแต่เหลือนีอต้องไปคุมงานก่อสร้างก็เลถ้าไม่ไปคุมมันก็ล่วนไหลมันก็ทำแล้วอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรทันก็ะไรต้องไปคุมด้วยตัวเอง แทนที่ท่านจะมีเวลามาอบรมสั่งสอนให้ญาติโยมมีธรรมะก็ต้องเสียเวลาไปกับการดูแลงานก่อสร้างแต่คิดว่าท่านคงจะทำพอประมาณท่านคงจะแบ่งเวลาท่านคงจะมีเวลาตอนเช้าก่อนท่านฉันบินบาตแล้นก็เทศก่อน แล้วพอท่านว่างแล้วท่านก็ไปดูแลเรื่องงานก่อสร้างต่อไปนี่คือประโยชน์ของการทำบุญถ้าเรามีเงินเหลือจากการเลี้ยงดูร่างกายอย่าเอาไปใช้ตามความอยากต่างเพราะความอยากมันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจมันทำให้อยากไปเรื่อยๆและเวลาไม่ได้ทำตามความอยากมันก็จะทำให้ หุดหงิดนำคาญใจเบื่อหน่ายเศร้าซ้าซาอยงอยเงาหรือบางทีซึมเศร้านคนที่ไม่มีเงินทองนี้จะรู้สึกจิตใจจะหดหู่ซึมเศร้าเพราะไม่สามารถที่จะเอาเงินไปเที่ยวเอาไปซื้อของอะไรต่างๆได้เพราะติดนิสัยติดกับการใช้เงินไปซื้อไปเที่ยวกัน แต่ถ้าเราติดนิสัยทำบุญแล้วรัองได้ว่าเราจะไม่ไปเที่ยวไม่ไปซื้อกันถ้ามีเงินเหลือก็ไปทำบุญมีเงินเหลือก็คิดแต่ทำบุญทำบุญก็ได้มาวัดได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติต่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติ คือได้รับความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับเพราะการปฏิบัติทมก็เป็นการสร้างความสุขให้แก่ใจลดลุดละระดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้มันนอ้อยลงไปและหมดไปในที่สุดนะการทำบุญทำทานนี่เป็นเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีเงินทองเหลือใช้เหลือกิน แล้วเอาไปใช้กับการที่เป็นโทษกับจิตใจให้เอามาทำบุญแทนเราจะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจพอทำแล้วจะแทนที่จะทำให้อยากให้หิวกับทำให้อิ่มให้พอทำให้ไม่ต้องไปเที่ยวให้เหนื่อยเปล่าๆไม่ต้องไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆมาให้นกบ้านนกเรือนเป่าๆได้มาแล้วก็กเท่านั้น ไปเที่ยวไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ทํานั้นเหนือแต่ความอยากเที่ยว อ, อยากซื้อต่อไปแล้วเอาเงินเหล่านี้มาใช้กับการทําบุญแล้วจะทําให้ใจอิ่มใจสุขใจจะไม่มีความอยากใช้เงินไปในทางอื่นเราจะทําให้เราไม่ต้องทํางานมากถ้าเราได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนเรารู้ว่า มีสิ่งที่ดีกว่าเงินทองรอเราอยู่ก็คือทำที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติเราก็จะได้ลดการทำงานหาเงินหาทองลงหาเงินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เราก็จะมีเวลาที่เราจะได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนมีเวลาที่จะมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน ถ้าเราก็จะได้ความสุขใจเพิ่มมากขึ้นไปความสุขเราสามารถเพิ่มได้อย่าไปเพิ่มที่ร่างกายเพราะร่างกายนี้มันได้ความสุขเต็มที่แล้วถ้าเรามีปัจจัยสี่ให้กับร่างกายแสดงว่าเราให้ความสุขกับร่างกายได้เต็มที่แล้ว เราจะไปเพิ่มปริมาณของปัจจัยสี่ให้มีมากขึ้นไปอีกสองสามเท่าก็ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขมากไปกว่าที่เรามีอยู่เหมือนน้ำที่เต็มตุ่มแล้วพนะอให้เติมเข้าไปอีกสักสักสามสี่ตุ่มมันก็ได้น้ำตุ่มเดียวก็เทน้ำลงไปในตุ่มน้ำที่มันเต็มมันก็จะไหลล้นออก มันจะไม่สามารถรองรับน้ําได้มากไปกว่า น, นั้นความสุขทางร่างกายมันเป็นมีขอบเขตมีปริมาณเหมือนกับตุ่มน้ําใส่เข้าไปแล้วพอมันเต็มแล้วมันก็ได้ทางนั้นต่อให้มีบ้านเพิ่มขึ้นอีกสองหลังสามหลังต่อให้มีเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นอีกร้อยชุดต่อให้มีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมันก็ ไม่ได้ทำให้มีความสุขทางร่างกายมากขึ้นไปมันก็เพ่งมันมันก็ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขได้นี่คือความสุขทางร่างกายมันมีปริมาณจำกัดแต่เราสามารถเพิ่มความสุขให้แก่ชีวิตของเราได้เพราะชีวิตเรามีสองส่วน มีร่างกายส่วนหนึ่งแล้วเราก็มีจิตใจอีกส่วนหนึ่งจิตใจนี้เราสามารถสร้างความสุขให้แก่จิตใจได้อีกมากมายเพราะเราไม่ค่อยได้เติมน้ำใส่ตุ่มของจิตใจเลยเรามัวแต่ไปเติมน้ำใส่ตุ่มของร่างกายอยู่เรื่อยๆส่วนจิตใจนีม ถ้าเป็นตุ่มน้ำก็เหมือนกับไม่มีน้ำเพราะเราไม่ค่อยเติมกันเนี่ยเราสามารถที่จะมาเพิ่มความสุขให้แก่ชีวิตเราด้วยการมาเติมความสุขให้กับจิตใจแล้วปิมาณความสุขที่เราจะเติมให้กับจิตใจให้กับชีวิตของเราเนี่ยมันมากกว่าปริมาณความสุขที่เราเติมให้กับร่างกายที่ได้จากการ เติความสุขให้กับร่างกายความสุขทางร่างกายนี้อาจจะเปรียบเหมือน1นึในสิของความสุขของชีวิตเราส่วนความสุขที่ที่ใจนี้จะเป็นเหมือน9ก้าใน10ส่วนของความสุขของชีวิตเราถ้าเราสามารถเพิ่มความสุขให้กับชีวิตเราได้ ด้วยการมาเติมความสุขทางจิตใจกันอย่าไปเติมความสุขทางร่างกายคือไปไปซื้อบ้านราคาแพงขึ้นสมมติเราอยู่บ้านหลังนี้ราคามันแค่นี้เห็นเขาขายบ้านราคาราคาแพงกว่า น, นี้สวยกว่า น, นี้ใหญ่กว่า น, นี้ก็อยากได้มีเงินก็ไปซื้อมันมันก็เป็นบ้านเหมือนกัน มันก็ทำหน้าที่ของบ้านละเหมือนกันมีไว้สำหรับปกป้องรักษาร่างกายให้หลบแดดหลบฝนหลบภัยอะไรต่างๆเท่านั้นเองจะอยู่บ้านเช่าอยู่บ้านราคาร้อยล้านมันก็ทำหน้าที่ของบ้านเหมือนกันแต่ถ้าเราเอาเงินที่มาซื้อบ้านร้อยล้านนี้มาทำบุญ เราจะได้เติมความสุขเพิ่มขึ้นทางใจเติมน้ำในใ น, ในตุ่มของใจเพราะตุ่มของว่างตายมันเต็มแล้วเช่าบ้านอยู่หรือซื้อบ้านร้อยล้านอยู่มันก็เหมือนกันความสุขทางร่างกายมันไม่ได้เพิ่มขึ้นจากการใช้เงินร้อยล้านเช่าบ้านเดือนละหมื่นกับซื้อบ้านหลังร้อยล้าน ความสุขเท่ากันความสุขทางร่างกายเท่ากันแต่ถ้าเอาเงินที่จะไปซื้อบ้านไว้แล้วนี่มาทำบุญมันก็จะเพิ่มความสุขให้แก่ชีวิตเราเพิ่มขึ้นนี่นี่คือเรื่องของใจที่พวกเราไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้ว่าวิธีเพิ่มความสุขให้แก่ชีวิตเราเพิ่มที่ใจเพิ่มอย่างไรก็ให้เพิ่มด้วยการ ทำบุญทำทานถ้าเรามีเงินทองพอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็อยากมาอยามาเพิ่มการเลี้ยงดูร่างกายด้วยการซื้อบ้านใหม่ราคาที่แพงขึ้นใช้เสื้อผ้าที่ราคาแพงขึ้นรับประทานอาหารที่ราคาแพงขึ้นรักษาโรคภัยไข้เจ็บ <c oughs> ด้วยราคาที่แพงขึ้นมันก็ เหมือนกัน่ะกินอาหารมือละห้าร้อยกับมือละห้าพันมันก็เหมือนกันกินแล้วมันก็อิ่มท้องเหมือนกันทายออกมาก็เป็นอุจจาระเหมือนกันอุจจาระก็ราคาเท่ากันไม่มีราคาห้าพันไม่มีราคาห้าร้อยเอาไปขายไม่ได้เหมือนกันนี่แหละนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้คิดกันไม่ได้ศึกษากัน เราก็เลยหลงกับการเลี้ยงดูร่างกายหาความสุขผ่านทางร่างกายกันซื้อของแพงๆใช้ซื้อของแพงๆกินหาความสุขทางตาหูจมูกร่างกายต่างๆโดยที่ไม่รู้ว่าก็ได้ความสุขเท่าเดิมแล้วก็กลับกลายเป็นโทษกับจิตใจเพราะว่าจะต้องคอยไปหาเงินมาใช้ซื้อของแพงๆ ก็เยต้องไปเครียดกับการทำงานทำการหารเงินหาทองยิ่งต้องการหามากก็ต้องเหนื่อยมากจิตใจแทนที่มีความสุขจิตใจกับไม่มีความสุขชีวิตเราแทนที่จะมีความสุขก็เป็นความสุขปลอมความสุขเดียวเดียวสุขตอนที่ได้ซื้อของที่เราอยากซื้อได้ไปทำอะไรตามที่เราอยากทำ แต่พอไม่ได้ทําก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอยากจะทําก็ไม่ได้ทําก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราควรที่จะมาเติมความสุขทางจิตใจความสุขทางจิตใจก็มีอยู่สามสี่ระดับด้วยกันระดับแรกก็การทําบุญให้ทานนี่ถ้าเรามีเงินทองพอเพียงต่อการเลี้งดูร่างกายแล้วก็อย่าไป เสียเวลาไปซื้อบ้านใหม่ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ไปหาอาหารแพงๆกินเลยเ อ, เอาเงินนี้มาทำบุญดีกว่าแล้วจะได้ความสุขใจเพิ่มขึ้นมาชีวิตของเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วระดับที่สองของความสุขใจก็คือมารักษาศีลกันมาละเว้นจากการทำบาป เพราะการทำบาปจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเวลาเราทำบาปแล้วใจเราจะไม่มีความสุขเราจะมีความวิตกกังวลหวาดกลัวกับบาปที่เราทำเรามารักษาศีลกันมาละเว้นจากการฆ่าสัตว์นักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดลืมสุรายาเมา นี่จะเป็นทําให้ใจเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาเราไม่ทําบาปล้วใจเราเย็นจะสบายจะไม่วิตกไม่กังวลไม่มีแผลถ้าทําบาปนี่เป็นเหมือนวัวซังนังหวะัะเวลามีอะไรมาแตะแผลหน่อยก็สะดุ้งขึ้นมาคนที่ทําบาปนี่เวลาเจอเห็นเจ้าหน้าที่ตำํำรวจก็ใจไม่สบายะ ไม่รู้ว่าเขาจะมาจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางหรือเปล่าแต่คนที่ไม่ทำบาปนี้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาพบปากเข่าไข่เพราะไม่มีแผลไม่ได้ทำอะไรไม่ต้องปกปิดอะไรแต่ถ้าทำบาปนี่มันต้องปกปิดแ ล, แล้วเวลาเจอไขรก็กลัวว่าเขารู้รู้เปล่าว่าเราทาอะไรเพราะการทำบาป มันไม่ดีไม่มีใครชอบเวลาใครทำบาปนี้จึงมากจะต้องบกปิดไม่เปิดเผยแล้วพอคนอื่นเห็นถ้าไปเจอคนเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้ว่าเราทำบาปมาหรือเปล่าทำผิดมาหรือเปล่าก็ทำให้ใจเราไม่สบายใจเราไม่มั่นคงเวลาเราพบปะกับคน แต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปนี้ใจเราจะมีความมั่นคงจะไม่หวั่นไหวจะไม่วิตกไม่กังวลกับใครใครจ ะ, ะพูดอะไรคิดอะไรนี่เราจะไม่ไปคิดว่าเอ๊ะเขารู้หรือเปล่าว่าเราทำนอ่นู่นมาทำไม่นี่มาแต่ถ้าเราไปทำมานี่บางทีก็พูดแต่เขาไม่ได้พูดถึงเราแต่เราก็ไปฟังว่าเขาพูดถึงเราขึ้นมาไอ้ห่ามันรู้เปล่าเนี่ย มันทีมาฟังเทพกับพระก็หาว่าพระรู้เรื่องของตัวเองหมดแล้ว <laughs> พระไม่รู้เรื่องอ่ะพระก็พูดไปตามเหตุผลอ่ะแต่มันก็ตรงกับเหตุการณ์ที่เราทำพอดีฟังแลังมันก็ลายหวาดเสียว <laughs> เนี่ยเรื่องของผลของการทำบาปจะทำให้เราไม่สบายใจ ถ้าเราไม่ทำบาปรักษาศีลได้เราก็จะมีความสบายใจสุขใจเพิ่มมากขึ้นแล้ระดับที่3ก็คือความสุขที่ได้จากการมาปฏิบัตินั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าเราทำใจให้สงบได้ใจเราจะมีความสุขเต็มร้อยเลยทีนี้เหมือนกับเติมน้ำเต็มตุ่ม เวลนั่งสมาธิใจสงบแล้วใจจะมีความสุขเต็มร้อยแล้วเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางร่างกายอันนี้แหละเป็นการเติมความสุขให้เต็มร้อยเพียงแต่ว่ามันเป็นเต็มร้อยชั่วคราวเต็มร้อยในขณะที่จิตสงบอยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมามันก็เริ่มพร่องเพราะว่ามันยังมีรอยรั่วอยู่ ทำให้ความสุขที่เติมเข้าไปในใจนี้มันค่อยๆอลดลงไปลอยรั่วที่ทําให้ความสุขที่ได้จากสมาธิมันมันน้อยลงไปก็คือความอยากสารประการความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดความอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่เราไม่มีไม่เป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็น พอเราออกจากสมาธิมาความอยากพวกนี้ก็ยังยังไม่ตายจากการนั่งสมาธิมันก็จะมาทำให้ความสุขที่เราได้จากการนั่งสมาธินี่ค่อยๆจางหายไปพอออกมาปั๊บเดี๋ยวหิวน้ำก็อยากดื่มกาแฟขึ้นมาแทนที่จะดื่มน้ำเปล่าก็อยากจะดื่มกาแฟถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเสียถ้าดื่มน้ำมันไม่เป็นความอยากเพราะมันดื่มให้กับร่างกาย ถ้าเราทำอะไรให้กับร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นความอยากแต่ถ้าทำให้กับใจนี้เป็นความอยากถ้าร่างกายหิวน้ำก็เอาน้ำเปล่ามาให้มันกินแต่ถ้าอยากจะได้น้ำที่มีกลิ่นมีสีมีรสนี่เป็นตันหาละเป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้สมาธิมันไม่ได้ทำลายความอยากมันเพียงแต่มันงับไว้ชั่วคราว เวลาจิตสงบนี้ความอยากกาแฟอยากดูอยากฟังอะไรมันไม่มีแต่พอออกจากสมาธิมาพอมันเห็นนู่นเห็นนี่คิดถึงนู่นคิดถึงนีน่ความอยากมันโผล่ขึ้นมาแล้วฉะนั้นถ้าเราอยากจะรักษาความสุขที่เราได้เติมไว้ในสมาธิให้คงอยู่เราก็ต้องมาอุดลอยรั่วของตุ่มนะตุ่มน้ำตุ่มน้ำของใจที่ทำให้ความสุขใจ ที่ได้จากสมาธิลดน้อยออกไปลดน้อยถอยไปเวลาออกจากสมาธิก็คือความอยากนี้สามประการนี่อยากซื้อเสื้อผ้าขึ้นมาล้วอยากจะไปเที่ยวที่นั่นเที<ม>่ยวที่นี่แนละ้วนั่นสมาธิเสร็จแล้วแทนที่คิดว่าจะไม่อยากเที่ยวยังอยากอยู่เออเดี๋ยวถ้าเกิดใครโทรมาชวนหน่อยก็ไปเลยอยันนี้ต้องใช้ปัญญามาอุดดอยรั่ว ปัญญาจะสอนให้รู้ว่าการไปทําตามความอยากเป็นการไปหาความทุกข์เพราะความสุขที่ได้เป็นความสุขชั่วคราวความสุขเดี๋ยวเดียวไปเที่ยวพอไปเที่ยวก็มีความสุขกันไปดื่มกาแฟก็มีความสุขกันพอดื่มเสร็จความสุขนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปแต่ความอยากดื่มมันไม่หายไปด้วยความอยากดื่มมันกลับมาความอยากเที่ยวกลับมา พออยากเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวพออยากดด่มก็ต้องไปดิมเองถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปดื่มก็ทุกข์อก ng, ีกดังนั้นก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปเที่ยวอย่าไปเด่มกลับไปนั่งสมาธิต่อเวลาอยากจะทำอะไรก็กลับไปนั่งสมาธิต่อหยุดฝืนมันอย่าไปทำตามความอยากถ้าเราฝืนมันต่อไปมันก็จะอ่อนกาลังลงไป แล้วไม่นานมันก็จะหายไปต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาหิวน้ำก็กินน้ำไม่ได้คิดถึงกาแฟไม่ได้คิดถึงเบียร์คิดถึงเหล้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำแล้วก็จะไม่มีความอยากไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นีน่เพราะเราดัดสันดานมันทุกครั้งที่มันอยากเที่ยวก็นั่งสมาธิต่อ ทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรก็นั่งสมาธิต่อไปทอย่างนี้ไปไเรื่อยๆความอยากมันก็จะถูกตัดไปตัดกําลังไปเรื่อยๆทีทละครึ่งหนึ่งความอยากครั้งนี้ตัดไปครึ่งหนึ่งครั้งต่อไปมันก็เหลือครึ่งเดียวตัดอีกทีก็เหลืออีกครึ่งของครึ่งเหลืวตัดไม่กี่ทีก็หายคนที่เลิกบุหรี่ได้เลิกสุราได้เลิกกาแฟได้ก็เป็นอย่างนี้ ไม่มีญาติโยมที่ติดตามถ่ายเท่าสดมีคนหนึ่งบอกเดี๋ยวนี้เลิากกาแฟได้แล้วเลิเดื่มกาแฟได้แล้วก็เพียงแฝืนมันเท่านั้นเองฝืนมันไปฝืนมันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็มันก็ไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากมันก็สุขแล้วอยู่เฉยๆก็เป็นสุขแล้วสุขจากการไม่มีความอยากความสุขที่เต็มตุ่มก็จะก็จะอยู่ต่อไป มันก็ตุ่มน้ำที่มันมีรอยรั่วสามรอยเนี่ยถ้าเราเอาอะไรไปหยุดไปอุดมันอุดรอยรั่วได้เราเติมน้ำให้มันเต็มตุ่มแล้วมันก็จะไม่พ่องแล้ ว, ลวเพราะมันจะไม่มีทางออกทางออกของความสุขใจที่เราได้จากการนั่งสมาธิก็คือความอยากต่างๆเหล่านี้นเราต้องมาเลิกความอยาก วิธีที่จะเริกกมอยากได้ขั้นต้นก็ให้ถือสีลแปดก่อนครถือสีลแปดก็จะไม่สามารถไปอยากกับรูปเสียงกินนได้เพราะศีลจะห้ามไว้อยากจะมีความสุขกับการรับประทานอาหารก็ไม่ให้กินแบบไม่มีเวล่ำเวลาให้กินเฉพาะเพื่อร่างกายกินแค่ครั้งสองครั้งก็พอ หลังเที่ยงวันก็ไม่ต้องกินแล้วพอแล้วสำหรับร่างกายถ้ายังอยากกินอยู่ก็เป็นเรื่องของกามาตันหาแล้วเป็นเรื่องของความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารร่างกายมันบอกพอแล้วร่างกายจะเป็นตุ่มแล้วร่างกายมันเต็มแล้วอย่าไปอย่าไปบังคับร่างกายคนที่ถึงศีลแปดนี่จะไม่ต้องไปวิ่งฟิตเนยไม่ต้องไป เนี่ยบอกลูกสาวไม่ต้องไปวิ่งหรอกกินต้นประมาณข้าวเคยกินสองจานก็ให้มันกินจานเดียวเนะบอกกินจานเดียวก็พอหลวงพ่อบอกไม่ตายหรอกกินเสร็จแล้วก็ดื่มน้ําเข้าไปสักแก้วสองแก้วมันก็อิ่มท้องนะก็ใช้ก็บอกลูกพิมว่าหลวงพ่อจะเวลาลูกินพ์จะหิวก็จะบอกว่าหลวงพ่อเตือนไว้ถ้าหิวไปกินน้าเปล่าเขาก็จะมองหน้าแล้วเขาก็ทาตามไม่ชั่วคอา บางครั้งหนูก็ขออนุญาตตรงีก็ต้องคือขออนุญาตใช้ข้าวจานแล้วก็เขาเคารพครแล้วกบางครั้งแม่ก็จะไม่ค่อยจ่าแค่ชื่อบอนอมค่ะหลวงพ่อเป็นห่วงนะหลวงพ่อบอกว่าแล้วนะน้องพิมหิวก็กินต้ำเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเพลงแต่ไม่นี้ลดปรมาณข้าวลงเคยกินสองจานกลเอาแค่จานเดียวเรากินเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปให้มันเต็มท้องแทน ต่อไปท้องมันก็หดเองอ่ะอันนี้ท้องมันขยายมันเลยก็ต้องกินมากมัอนถึงจันทเนเต็มท้องแล้วก็เต็มเต็มเต็มด้วยน้ําแทนเต็มด้วยข้าวถ้าเต็มด้วยข้าวมันจะมันมันจะมันจะมันก็จะอะไรอ้วนอยู่เรื่อยเรืน้ําหนักมันจะไม่ลดถ้าเต็มด้วยน้ําเดี๋ยวน้ำน้ำก็ถ่ายออกเชี่ยออกมาแล้วแล้วความอิ่มมันก็ยังอยู่ เตือนโดยเวลาลูกหนูอ่ะคือหนูเข้าใจว่าเขาชอบกินถ้าหนูเตือนด้วยอารมณ์ของแม่เขาจะโกรดนิดนึงแต่ถ้าพ่อเอ่ยผ้าชานเจ้าคะเขาจะไม่ค่อยโกรธนะคะเหมือนว่าูเขาจะอยู่แล้วเขาก็จะนิ่งแล้วเขาก็จะทําตามนะครับเราบอกให้เขากินตามเวล่ําอย่ากินตามความอยากจะกินทอะไรก็กินพร้อมกับอาหารวันละสามมื้อระหว่างมื้อก็อย่าไปกินอะไร ถ้าอยากก็ดื่มน้ำไปอย่างเดียวดื่มน้ำเปล่าไปอยากไปดื่มน้ำน้าหวานน้ำอะไรน้ล อ, ลองได้ไม่นานามีเด็กคนหนึ่งเขาก็อ้วนเหมือนกันเนี่ยอยู่ที่สายบาสอยู่ที่ตรงใกล้แถวสารเจ้าวันนี้เขาก็น้ำหนักเกือบเจ็ดสิบมั้งอังนี้ลดน้องเหลือห้าสิบกว่าแล้วต้องยิอยากรู้จักมากเลยเ ชื่อการ์ตูนน pues, ah ั้นเป็นอาูของคนที่เขาเปิดด้านอาหารซีฟู้ดเจนองร้านเจนองเราไปดูเขาสิเขาเดี๋ยวนี้ขุ่นสวยเลยเมื่อก่อนอ้วนตุ้ยแม่แม่เดี๋ยวนี้อ่ะอาชาอ่ะไม่ื่อยถามภาษาจกฤแล้วนะชอบถามว่าเมื่อไหร่จะรู้ หนูเลยอ่ะหนูรู้เลยตอนเนี้ยหนูต้องทําหนูเลยต้องลดอ่ะจากที่ไม่คิดอยากจะลดอ่ะเพราะว่าพระอาจารย์ถามทุกวันเลยเจากที่ไม่คิดอยากจะลดเลยอ่ะก็บอกว่าอตอนเนี้หนูต้องลดแล้วเพราะว่าพระอาจารย์ถามทุกวันเลยเขาเลยแบบเอ๊ะน้มาจ๋ า, าน่ารักเลยลดได้มันมีประโยชน์หลายอย่างร่า <c oughs> งกายก็ยได้สัดได้ส่วนสุขภาพก็ดีขึ้นโครคภัยไข้เจ็บก็น้อยลงแล้วก็ความทุก ก็จะน้อยลงเพราะความอยากมันจะน้อยลงมันจะไม่ได้อยากกินอยู่เรื่อยๆมันก็จะกินตามเวลาตามเวลาได้เวลาไม่ได้กินมันก็จะไม่เดือดร้อนไม่ต้องเสียงเงินทองหาเงนินทองมากินมากจเกินไปอย่างแม่นี่ก็ลดไปเยอะเนี่ยใช่ไหมลดไปกี่กิโลรถไปกี่กิโลนะเดิมสิบโลค่ะอ่าสิบโ ล, ลแตก่อนก็เจ็ดสิห้ากิโลค่ะตอนนี้ก็หกสิบอ่า ประมาณสิบห้ากิโลเนี่ยลดได้มันอยู่ที่ใจไม่ต้องไปเสียเงินไปเข้าฟิตเนสให้เสียเวลายิงข้าฟิตเนสยยิ่งกินมากใหญ่พอไปวิ่งเสร็จมันก็เหนื่อยมันก็หิวอีกอ่ะมันก็ออกไปกินอีกอ่ะมันมันอยู่ที่การกินมันไม่ด้อยู่ที่การไม่ได้ออกกําลังกายหรอกถ้าเรากินน้อยมันจะมันมันจะใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงมันใหญ่ขึ้นมาเพราะเรากินมาก กินมาแล้วไปวิ่งสักสองสามชั่วโมงมันไม่ออกมันไม่เหมาะ ม, ม, ม, มันไม่ออกหรอกไม่ลดปริมาณกินลงดีกว่าลดลงห้าสิบเอร์เซนตเนี่ยโอ้โหไม่กี่วันเนี่ยลดไปเยอะเลยคนที่มาบวชเนี่ยสามเดือนวันนี้ฉันมื้อเดียวเนี่ยพอศึกแต่ละคนเนี่ยลดไปอย่างน้อยสิบกิโลอ่ะแค่สามเดือนเนี่ยพรรษาที่ลองดูสิลองลองกินมื้อเดียวเดี๋ยวไม่ต้องไปเสียเงิน ไปสมัครเข้าฟิตเนสไม่ต้องไปเหนื่อยกับการวิ่งการออกกำลังกายถ้าอยากจ ะ, จะออกกำลังกายก็เดินจงกรมในบ้านนี่แหละพอลเดินทีละชั่วโมงสองชั่วโมงเดินสบายๆอันนี้ก็เหลือเฟือแล้วนี่คือทำทำประโยชน์ให้กับตัวเราโดยที่ไม่ต้องเสียเงินพวกเรานี่คิดว่าต้องเสียเงินเถึงจะได้ประโยชน์ ต้องไปเป็นสมาชิกฟิตเนสถึงจะได้ประโยชน์ต้องไปซื้อของอาหารเสริมอาหารอะไรต่างๆมาลดมันเป็นไปไม่ได้ไปกินมันก็ยิ่งแต่เสริมน้ําหนักมากขึ้นแต่เราคิดว่าถ้าของเสียเงินแล้วมันจะดีถ้าของฟรีแล้วมันไม่ดีของฟรีเนี่ยมันดีเช่นลดการซื้ออาหารลง กินอาหารครึ่งหนึ่งก็มันก็เสียค่าอาหารลดลดไปครึ่งหนึ่งแล้วประหยัดเงินไปครึ่งหนึ่งแล้วของฟรีไม่เอาออกกำลังกายก็ไปเดินเฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสมัครฟิตเนสเสียเงินเดินในบ้านก็ได้หาทางที่เดินทั้สิบยี่สิบก้าวก็เดินกลับไปเดินกลับมาเดินทั้งชั่วงนึงร่างกาย เาถักถือศินแปดกันแล้วจะทําให้เร า, เาลดการาหาความสุขทางร่างกายลงและเราจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจเพราะถ้าเราไม่ถือศินแปดเราจะไม่มีเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันเพราะถ้าไม่ถือสินแปดมันเดี๋ยวก็ไปกินเลี้ยงได้อางานเลี้ยงที่ไหนก็เชิญก็ไปได้แต่ถ้าถือสินแปดก็ไปไม่ได้ว่าเราไม่กินข้าวเย็นเอ แหลงบันเทิงต่างๆก็ไปไม่ได้มหอรศพก็ดูไม่ได้ร่วมหลับนอนกับแฟนก็ไม่ได้มันก็จะมีเวลาเยอะแยะมีเวลาที่จะมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาเจริญสติมาทำใจให้สงบทำความสุขของใจให้เต็มร้อยใจจะสงบได้ก็ต้องมีตัวบังคับความคิดถ้าไม่บังคับความคิดมันก็จะคิดไปเรื่อย เหมือนรถที่วิ่งลงเขาเนี่ยถ้าไม่มีเบรกมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆมันไม่หยุดของมันเองถ้าอยากจะให้มันหยุดก็ต้องเหยียบเบรกใจเราก็เหมือนรถที่วิ่งลงเขาชอบคิดไปเรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่ตื่นมาจน ถ, ถึงบัดนี้หยุดคิดไปอย่างตั้งแต่เกิดมาเลยไม่ยว่าตั้งแต่ตื่นมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยหยุดคิดบ้างไหมไม่หยุดหรอกคิดไปเรื่อยๆเวลาหลับก็ก็ฝันเวลาฝันก็คิดเหมือนกันเอง ความฝันก็คือความคิดของเรานี่นะคิดไปแล้วมันก็ทำให้หิวให้โหยให้อยากหรือถ้าคิดไปในเรื่องไม่ดีก็ทำให้ไม่สบายใจทำให้ทุกข์ใจกังวลใจแต่เวลาหยุดความคิดนี้อารมณ์ต่างๆมันจะหายไปหมดเลยอารมณ์วิตกกังวลหวาดกลัวความรักชังกลัวหลงนี่มันจะหายไปหมด แล้วมันจะมีแต่ความเบา อ, อกเบาใจความสุขใจนความสุขอันนี้นหละที่มหาเศรษฐีก็ซื้อไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินก็ซื้อไม่ได้ประธานาธิบดีก็ซื้อไม่ได้คือเป็นแล้วจะไม่ได้ความสุขแบบนี้โดยอัตโนมัติเป็นมหาเศรษฐีก็จะไม่ได้ความสุขแบบนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะไม่ได้ความสุขแบบนี้ พ ร, พ, พระพุทธเจ้าก็เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินอยากจะได้ความสุขแบบนี้ก็เลยต้องไปอยู่แบบขอทานถ้าอยากจะได้ความสุขแบบนี้ต้องอยู่แบบขอทานอยู่แบบถือศีลแปดอดข้าวเย็ น, นก็เหมือนขอทานคนอดข้าวเย็นนี่ก็เหมือนพวกขอทานไม่ได้กินข้าวสามมืออย่างพวกเราอดข้าวเย็นอยู่คนเดียวเป็นคนเหมือนกับซึมเนื้อประดาตัว ไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีแฟนไม่มีอะไรมาให้ความสุขมีแต่เวลาเนี่ยคนคนขอทานนี่เขาก็าดีกว่าพวกเราตรงนี้เขามีเวลาเนี่ยขอทานนี่ไม่ต้องทำไป น, นั่งขอทานไปวันวันถ้ามันฉลาดมันเอาเวลาที่นั่งขอทานนี้นั่งสมาธิไปมันก็ได้ประโยชน์เนี่พราะพระพุทธเจ้าก็เป็นขอทานเหมือนกันแต่เป็นขอทานที่ฉลาดแทนที่จะนั่งขอเงินรอ เรานั่งขอทานท่านก็เอาเวลาไปนั่งสมาธิแทนขอทานเฉพาะเวลาตอนเช้าไปเดินบินทบาติพอได้อาหารพอเลี่ยงนั่งกายได้ก็พอแล้วอยู่เฉยๆได้แล้วทีนี้ก็นั่งสมาธิไปจะนอนสติสร้างเบรกขึ้นมาหยุดความคิดถ้าไม่มีเบรกมันก็ไม่สงบมันก็คิดไปเรื่อยๆดังนั้นเราต้องสร้างสติ วิธีสร้างสติก็คือเราต้องให้ใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าจะดูลมหายใจก็ดูแต่ลมหายใจไปอย่างเดียวเวลานั่งถ้าเวลานั่งให้ดูลมหายใจแต่ถ้าเวลาทาอะไรต่างๆเวลายืนเวลาเดินเวลาทำงานทาการใช้พุโทโธไป หยุดความคิดที่ไม่จำเป็นต้องคิดถ้าทางานต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับการทำงานก็คิดได้แต่เวลาที่ไม่ต้องคิดกับงานก็อยากคิดใช้พุโทโธอยเหมันไปเช่นพอตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธเลยตอนนั้นยังไม่ต้องคิดอะไรก็พุโทโธไปไปเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปหลังเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธไป เดินทางไปทำงานก็พุโทโธไปพอไปถึงที่ทำงานก็หยุดพุโทโธแล้วก็คิดอยู่กับเรื่องงานที่เราทำไปพอเสร็จงานมีเวลาว่างก็พุโทโธต่อไปถ้าเรามีพุโทโธต่อไปเราจะห้ามความคิดได้หยุดความคิดได้แล้วเวลาเรานั่งเฉยๆจิตมันก็จะสงบจิตก็จะหยุดคิดเวลาหยุดคิดนี่มันเหมือนกับตกลุมตกบ่อมันจะวุบลงไป ลุบลงไปแล้วก็สมบเย็นสบายไม่หิวไม่อยากกับอะไรเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้เงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านอันนี้นะเป็นความสุขที่พวกเราทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ความสุขรับแบบมหาเศรษฐีนี้ไม่เข้าไปถึงไม่ได้ทุกคนความสุขระดับประธานาธิบดีพระเจ้าแผ่นดินนี้เข้าไปถึงไม่ได้ทุกคนแต่มันก็สู้ความสุขที่พวกเราทุกคนสามารถเข้าถึงได้ก็คือความสุขจากการทําใจให้สงบนี้ถ้าเรามีความขยันมีความเพียรมีศรัทธาเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าการเจริญสตินี้จะทําให้ใจเราสงบ เราก็เชื่อแล้วพยายามทำตามถ้าเราบริการพุทโธพุทโธไปเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้พอเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดไม่คิดถึงกาแฟมันก็ไม่ได้อยากจะดื่มกาแฟไม่ได้คิดถึงแฟนมันก็ไม่อยากจะไปอยู่กับแฟนไม่ได้คิดถึงเสื้อผ้ามันก็จะไม่ได้อยากจะไปซื้อเสื้อผ้า เราพูดโธพูดโธไปมันจะเลิมเรื่องต่างๆไปหมดเลยแล้วนะมันจะอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่อยากความอยากนี้ทำให้ใจเราต้องดิ้นรนอยู่ไม่เป็นสุขกันพอเราไม่มีความอยากนี่เราอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนเพราะไมไ่มีความคิดอยากจะไปเที่ยวนะหัดมาสร้างสติกันให้ได้ หยุดความคิดให้ได้จะใช้คำบิกรรมพุทธโธไปก็ได้มีหลายวิธีการสร้างสติความจริงมีถึงสี่สิบวิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบไปค้นดูใน Google ก็ได้แล้วลองเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งดีใช้พุทธโธนี่เพราะว่ามันมันใช้กันแบบอย่างแพร่หลายแล้วง่าย จะใช้ใช้อย่างอื่นแทนพุทโธก็ได้ใช้ธรรมโมก็ได้ใช้สังโฆก็ได้จะใช้การสวดมนต์ก็ได้อิทิปิโสไปก็ได้จะระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยๆก็ได้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายลวงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือจะคิดถึงอาการสามสิบสองของร่างกายก็ได้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 ต้องอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเงินทองเข้าของสิ่งของต่างๆได้พอเราไม่ได้คิดเราก็เลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันนี่คือวิธีหยุดความคิดที่กระตุ้นความอยากต่างๆตอนนี้เราคิดแล้วก็เกิดความอยากคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็อยากจะไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสคิดอยากได้ก็อยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องไปหา คิดอยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปหามาแต่ถ้าเราไม่คิดแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้อยู่เป็นสุขได้ใจเราไม่เคยอยู่เฉยๆมันเลยไม่มีความสุขอยู่เฉยๆแล้วรู้สึกเงดเกตนะพอไม่มีอะไรทําหน่อยนี่งดเงตเลยเพราะมันอยากจะทานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาทํเท่าไหร่แล้วมันพอั้มมันสุขไหอสุขก็สุขเดียวเดียว สเพราะว่ามันคลายความเครียดไปชั่วคราวนะมันก็เกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาลองมาหยุดความคิดได้นั่งเฉยๆเวลาถ้าเรามานั่งเฉยๆเราก็จะท่องพุโทโธก็ได้ท่องอาการ32ไปก็ได้หรือเราอยากดูลมหายใจเข้าออ ก, ก็ได้ถ้าเราเหนื่อยกับการบริกรรมบริกรรมมาทั้งวัน อยากจะพระ ก, ก็ใช้การดูลมหายใจแทนถ้าเรานั่งเฉยๆนั่งสมาธิเราก็ดูลมหายใจดูว่าคำนี้ลมกําลังเข้าหรือกําลังออกแค่นั้นเองไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้ดูเฉยๆถ้าดูไม่ได้บางคนพอดูแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกว่าจะไปบังคับตรมก็ใช้ท่องพุทโธไปใช้สวดมนต์ไปต่อทํานี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไป ใจมันจะสงบเองสงบแล้วจะมีความสุขมากมากกว่าการเป็นเศรษฐีมากกว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินมากกว่าการเป็นพระราชามหากาัาสตร์เป็นประธ า, ภานาธิบดีเป็นนายกการเป็นสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีนะเป็นแล้วมันเครียดนะเป็นแล้วมันวุ่นวายนะมันมีเรื่องให้คิดมากขึ้นมีเรื่องมีภาระให้ให้ดูแลมากขึ้น มีผลกระทบกับจิตใจมากขึ้นแทนที่จะสุขทางจิตใจกับวุ่นวายมากขึ้นนี่คือวิธีเพิ่มความสุขให้แก่ชีวิตของเราต้องมาเพิ่มด้วยการมาเพิ่มความสุขทางใจความสุขทางร่างกายพวกเราได้เต็มร้อยแล้วอย่าไปเพิ่มนั่งความสุขทางร่างกายด้วยการซื้อเสื้อผ้ามาเพิ่มอีกซื้อรองเท้ามาเพิ่มอีกหาแฟนมาเพิ่มอีก มีแฟนหนึ่งคนไม่พอหาหมาอีกสองคนสามคนมันก็เท่าเดิมแล้วแทนที่จะมีความสุขมากขึ้นมันจะมีความทุกข์ความวุ่นวายมากขึ้นเรามีสักสองสามบ้านเดี๋ยวมันก็ต้องจัดคิวแล้วเะี๋ย ว, วันนี้จะไปอยู่บ้านไหนดีเอาบ้านเดียวดีกว่าสบายกว่าแล้วเดียเกิดบ้านโน้นบ้านนี้มาเจอกันเข้าก็ยิ่งยุ่งเ ย, ยนะความสุขทางร่างกาย เรามีพอเพียงแล้วแต่เราอยากจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมาเพิ่มความสุขทางจิตใจกันดีกว่ามีเงินเหนือใช้ก็เอาไปทำบุญทำอะไรก็อย่าไปทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นรักษาศีลไปอย่าทำบาปมีเวลาก็ลองมาอยู่วัดถือศีลแปดนั่งสมาธิจเจริญสติควบคุมใจทําใจให้สงบไป พอเราได้สมาธิความสงบแล้วเราก็จะเห็นความสําคัญของการเจริญปัญญาการมีปัญญาเพราะเราจะได้มีปัญญามาอุดรอยรั่วที่ทําให้ความสุขที่เราได้จากสมาธิหายไปก็คือเวลาเกิดความอยากเราก็ต้องใช้ปัญญาของพระพเจ้ามาสอนใจว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการทําลายความสุขที่ได้จากความสงบเพราะเราจะต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้กัน แล้วสิ่งความสุขที่เราได้จากสิ่งที่เราได้มาก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียๆได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปก็ต้องหาอีกเพราะอยากอีกแล้วถ้าหาแล้วไม่ได้ก็เสียใจอีกทุกข์อีกในที่สุดมันก็จะนําไปสู่ความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วถ้าเรามีปัญญามันก็จะถอยดีกว่าพออยากก็ไม่อยากดีกว่าถ้าสู้ความอยากไม่ได้ก็ไม่นั่งสมาธิต่อะ ถ้าอยู่เฉยๆสู้ออความอยากได้หยุดได้ก็ไม่ต้องนั่งสมาธิกะ็ะดาแสดงว่าใจเรามีกําลังมากพอสมาธิเราก็มีกําลังมากเราบางทีก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้พอบอกไม่อยากท่านั้นมันก็หยุดไม่กินไม่เอามันก็ไม่เอาแต่ถ้ามันยังอยากจะเอาอยู่ก็ต้องสแสดงมันยังดิ้นอยู่ก็ต้องไปนั่งสมาธิต่อให้มันหายดิ้นให้มันสงบ ทำนี้ต่อไปมันก็จะหมดกำลังไปเองความอยากพหมดในที่นี้ใจเราอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องเข้าไปในสมาธิแลนี่แหละคือความสุขที่พระเจ้าส่งคนพบแล้วสอนให้พวกเรามาเสริมมาสร้างกันนะอย่าไปเสียเวลากับการเสริมความสุขทางร่างกายเพราะพวกเรามันได้เต็มที่แล้วไม่ได้มากไปกว่านี้ ต่อให้มีบ้านเพิ่มอีกกี่หลังมีเงินทองเพิ่มอีกกี่ล้านมันก็เท่าเดิมอยากจะได้ความสุขต้องมาทาบุญมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วรับรองไน้ว่าเราจะได้พบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังมะลมนสุข นิบานิพานคืออะไรนิพานก็คือใจที่ไม่มีความอยากนี่เองใจที่กำจัดความอยากหมดไปก็เป็นเป็นนิพานไปไม่ได้เป็นสถานที่ถ้าเป็นคนไข้ก็เหมือนหายจากโรคภัยไข้เจ็บหายจากโรคมะเร็งหายจากโรคเบาหวานหายจากทุกโรคที่มีอยู่ในร่างกายร่างกายไม่มีโรคแล้วร่างกายเป็นไงก็อยู่อย่างสบาย ใจที่ไม่มีโลกคือไม่มีความอยากทั้งสามใจก็อยู่อย่างสบายอยู่อย่างบำลมวสุขอยู่แบบไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากได้อะไรจากโลกนี Net ้แล <tan> ้วไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นไม่มีความอยากมีอยากเป็นก็ไม่รู้จะกลับมาเกิดหาอะไรก็ไม่มาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายอย่างที่เราทุกกันอยู่ทุกวันนี้ นี่ะคือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนามาฟังเทศฟังธรรมมาทาบุญเราเริ่มต้นด้วยการทาบุญไปวัดไปทำบุญพอทำบุญแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมแล้วพอรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรก็ไปปฏิบัติต่อนอกจากทาบุญแล้วก็ต้องรักษาศีลตอนต้นก็เพิ่มเริ่มต้นที่ศีลห้า พอรักษาศีลห้าได้ก็อลองศีลแปดดูบ้างวันพระเอาลองศีลแปดดูลองนั่งสมาธิดูลองฝึกสติดูพุโทโธพุโทโธดูเดี๋ยวมันก็ไปได้เองเดี๋ยวมันก็ไปถึงขั้นสูงสุดได้ในที่สุดฉนั้นขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเถิด แลผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พรยถ า, าวาริวหาปุราปาริปเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุ ป, ปกปฏิ อิชิตังปฏติตังตุมหางคิปเมวะสมิจจตุสัพเพบเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายสุขีทีกายุโกภวะ อธิวาทานาศสสิริสะนิจจังวุธาปจายโนะจตารุธรร ม, มาวาทันติอายุวโนสุขังภาลาังมาที่ทางเฟสบุก๊กมาเท่าไหร่เนี้ยมาเฟซบุ๊กสู่ศูนสี่ร้อยสิบแปดค่ะ ยูทูบสูงสุดหนึ่งร้อยสี่ค่ะอ่าเร่อยขึ้นร้อยแล้วนะเฟซก็ขึ้นสี่นะเมื่อก่อนสามร้อยกว่าอย่างนี้สี่ร้อยกว่า YouTube เกินรนะ้อยแล้วแสดงคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นแฟนมากขึ้น <c oughs> นี่ก็มีชาวมาเลเซียคนหนึ่งกับชาวสิงคโปร์คนหนึ่งก็เขาก็ติดตามทาง YouTube ตอนนี้เขาก็มามาขออยู่ปฏิบัติอยู่สองสามวันเดี๋ยวก็อยากจะมาคุยด้วยมั้งมาสกัการกนอขับขามข้อเี่ง อ, อันนี้เป็นว่าตอนนี้ใกลส้สทศกาลปดแล้วแล้วก็มีคนบ้านเดียวกันนะจ๊ะค่ะถามว่าเอกก็มีลูกชายอายุยี่สิบานแล้ว คิดไหมว่าจะให้ลูกชายปวดหนูก็ตอบไปว่าไม่หรอกค่ะคือการปวดอ่ะไม่ได้อยู่ที่หนูอยู่ที่ตัวเขาสองเขาก็บอกว่าจะได้เห็นผ้าเหลืองก่อนตายหนูก็บอกว่าความสุขของหนูบุญของหนูหนูสร้างได้ทุกวันพระอาจารย์เจ้าคะหนูคิดถูกไหมเจ้าคะถูกแล้วก็ผ้าเหลืองก็เห็นทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเห็น <laughs> พาไปบิดาบา ท, ทุกวันก็เห็นท่านเลย <laughs> สามีหนูชอบกินเหล้าก็จะมีชาวบ้านวางดีก็บอกว่าเออเองแฟนไม่มาอยู่บ้านชอบดื่มอเออเอกน่าสงสารทั้งเลยเอกก็บอกว่าขอบคุณที่เห็นใจแต่จริงๆแล้วว่าหนูหนูก็ตอบไปว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูโชคดีหนูก็ตอบเขาไปว่าฉันโชคดีที่มีสามีแบบนี้ฮะคิดว่าทํำไมถึงคิดว่าโชคดีหละ่ะถ้าเกิดวันหนึ่งเขาจากไปหรือหนูจากไปหนูก็จะได้ไม่ต้องคิดมากในเจ้าค้าว่าเขา หนูคิดว่าการที่เขาไม่ดีน่ะจริงๆแล้วเป็นผลดีสําหรับหนูมากแล้หนูจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากจะได้ไม่ห่วงไงจะได้ไม่รักไม่ห่วงเจ้าค่ะคิดถูกไหมเจ้าค่ะข้อที่สองอ่าถูกป่ะล่ะข้อที่สามน้องพิมพ์เขานั่งสมาธิแล้วหนูก็สอนบอกเออน้องพิมพ่อเขาบอกสอนพุทโทพุดโธแต่น้องพิมพ์บอกว่าแม่หนูนับหนึ่งถึงสิบได้ไหม อหนูก็ไม่กล้าตอบว่จริงหนูก็เลยบอกอถ้าเองคิดว่าเองทำยังไงได้ก็แล้วแต่หนูจะถามว่าน้องพิงคิดถูกไหมเ<ม>จ้าคะถูกใช้น้าหนึ่งหนึ่งถึงสิบใบก็ได้หรือบอกเขาาให้พูดโทนหนึ่งพูดโทสองไปก็ได้คให้มีเขาจะได้รู้ว่าพอพูดโทพูดโทก็ทาอาจจะจับไม่ได้แต่ถ้ามีเลขอะไรก็จับเขาอาจจะมีความสนใจมากขึ้นมีความใจจดจ่อมากขึ้นก็ได้ ก็ลองบอกว่าลองพุโทโธหนึ่งพุทโทสองพุทโทสามไปก็ได้คค่ะเขาถูไม่รู้จะสอนอะไรก็เลยเอาขาคือเป้าหมายก็คือเพื่อให้ใจไม่ไปคิดถึงขน ม, มคิดถึงเรื่องนั้น เ, เรื่องนี้ถ้ามีอะไรให้ใจทํามันก็ไปทําอย่างอื่อนไม่ได้โหลายข้อเลยวันนี้ที่ตอบไปคนรื้ว่าหนูนั่งสมาธิที่ ท, ที่ก็เออมีการบอกว่าเดินจงกลมทีนี้หนูหัดเดินจงกลมแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเดินไม่เป็นนะเจ้าค่ะหนูเดินแล้วหนูโค้งเคงค่ะเจ้าค่ะ อ๋อเป็นเพราะเราเราไปเครียดกับการการเดินมากเกินไปเราเดินตามปกติเหมือนกับเราเดินทํางานนี้เดินทําอะไรเดินไปตลาดเดิน ม, มาแล้วก็เดินไปเพียงแต่ว่าใจเราก็ให้มีสติอยู่กับการเดินเท่านั้นเอง อ, อยู่กับเท้าที่เราเดินก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปแทนที่จะเดินแล้วไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงใจให้มันมาอยู่กับเท้าเราเดินไปซ้ายขวาซ้ายขวาไป เลยเดินไปพุทโธพุทโธไปใช่หนูเดินพุทโธแล้วเออพ่อพูดว่าฉันนั่งไมีฝาไม่นี่หนูก็เลยเพราะเราไม่เคย<ช>เดินแบบนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกมีอาการแปลกๆใช่จ้ะ ถ, ถ้ามันใช้พุทโธมันโคงก็ลองใช้ดูเท้าดูซ้ายขวาซ้ายขวาไปาอืมโอเคพูดถึงเรื่องกาแฟหนูไม่ได้ติดนะคะค่ะแต่ถ้าเจอได้กินก็ดีอย่างนี้เขาเรียกว่าติดไหมคะ เดียอยู่ที่ว่าเราเป็นคนไปคิดถึงมันหรือเปล่าถ้าเราไม่คิดถึงมัน <S <S <S <S แฟนเขาไปซื้อกาแฟมาให้เรากินนี้ก็ได้แต่ถ้าเราคิดเราไปหามันนี้ก็ยังเส้นอะไรกยังติดอยู่แต่ถ้าเราไม่คิดถึงมันเลยแล้ววันดีเคืเนดีเพื่อนมาเยี่ยมอ่ะให้เอากาแฟมาฝากเอง ก, ก, ก็กินได้ <S 1> <S 1> แต่อย่าออกจากใจเราใจเราอย่าไปคิดถึงมัน<า>มคือกินก็ได้ไม่กินก็ได้มีก็กิกนไม่มีก็ไม่กิน<ช>ไม่เดือดร้อนค แต่อย่าหลอกตัวเองว่ามีก็ได้ไม่กินไม่ไม่กินก็ได้แต่กินอยู่เรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> วันนี้มีต่างประเทศเข้ามาัหมไม่มีค่ะอ่าไทยก็ได้คำถามจากคุณโก้ค่ะจิตที่มีสติอยู่กับพุทโธจากสภาวะจิตที่เคยเกิดแสงสว่างเปลี่ยนเป็นความว่างว่างโดยมีสติมีความเป็นปกติไม่มีอาการทางจิตใดๆแทรกเข้ามา คือสภาวะนิพพานหรือเปล่าครับก็ใกล้เคียงอ่ะกิเลสยังมีอยู่มันเพียงแต่ถูกกดไว้ชั่วคราวด้วยกําลังของสติพอเพลิดสติเมื่อไหร่กิเลส ก, ก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีปัญญากําจัดกิเลสได้หมดกําจัดความอยากได้หมดก็ถึงจะเป็นนิพพานจะเรียกว่าเป็นนิพพานเทียมเป็นหนังตัวอย่างของนิพพานเวลาจิตสงบด้วยกําลังของสตินี้ ก็เป็นนิพพานชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาพอเพลสติปับคิดถึงนู่นคิดถึงนี่อยากเกิดความอยากขึ้นมามก็ต้องกําจัดความอยากทุกครั้งที่มันขึ้นมาต้องกําจัดมันไปเรื่อยๆความอยากนี่เป็นเหมือนดอกเข็ดเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาก็ถอนมันออกถอนมันออกถ อ, อนไปเรื่อยต่อไปมันก็ไม่มีโผล่ขึ้นมาคําถามจากคุณเฉวีวัรณค่ะการภาวนาพุโทโธ เราสามารถทำในห้องน้ำได้ไหมคะเช่นทำกิจส่วนตัวไปก็พุโทโธไปค่ะได้ทำได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับทีท่เราทำไม่ได้เพียงแต่ยาอย่าไปออกเสียงพุโทโธในห้องน้ำก็แล้วกันเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะหาว่า <c oughs> ไม่มีมารยาทไม่มีความเคารพแต่ถ้าเราท่องไปในใจแล้วด่าแค่ในใจไม่เป็นไรใช่ไหมแต่อย่าไปด่าวออกเสียงด้วยะไปด่าวออกเสียงก็ได้ยินเขาเขาก็จะมีมีปัญหากับเราได้ การบริการมพุโทโธก็เหมือนกันบริกรรมได้ทุ ก, กิรียบุตรทุกสถานที่ทุกเวลาเพียงแต่ต้องอยู่ในใจเราท่า น, นอย่าปล่อยออกมาปล่อยปล่อยมันเสียงออกมาไม่ให้ถ่ายไปก็พุโทโธไปนนี้มันก็เดี๋ยวคนที่เขาอยู่ห้หองข้างๆก็ฟังแล้ว ว, ว, ว, ว, ว่าไอ้นี่มันบ้าเปล่าหลวงพ่อคะแต่บางทีหนูตอนตื่นที่สามที่สี่หนูทำกับข้าวเนี่ย ที่ทํำข้าวเสร็จคือเตรียมตัวไว้ขายตอนเช้าเนี่ยตอนที่คนยังไม่มาพดโทรแต่บางครั้งหนูก็เปิดเทปผ้าจานคือแทนพูดโทรได้ไหมคะได้ได้คือมีอะไรผูกใจไว้ดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงสามีคิดถึงลูกคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เปิดได้เนูิ่่มมมัไโทีาปดแต่ถ้าทําเองได้ดีกว่ามันจะได้ไม่เกิดเกิดเกิดเปิดแล้วไม่มีอะไรให้ฟังมันก็จะไม่มีอะไร แต่ถ้าเราทําเองได้เราก็สามารถทําได้ตลอดเวล า, าใใแล้วก็แสดงทําในตัวเราเองก็ได้เนี่ยฟังทำที่เราฟังอยู่นี่แล้วก็มาสอนใจเราว่าเออชีวิตเราไม่เที่ยงนะเกิดมาแล้วเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะส า, ม, ามีเราลูกเราพ่อเราแม่เราเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะก็คิดอย่างนี้ก็เป็นการฟังธรรมไปในใจแล้วนะอ่ะ สมาธิมันก็จะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่มันเหมือนว่าจิตหนูก็จะมันเหมือนจะติดไปกับฟังธรรมมากกว่าที่จะมานั่งหาดพุดโทโธ เ, เใช่ไหมเจ้าคะใช่แต่ถ้าเราไม่มีกําลังก็ต้องอาศัยการฟังธรรมดึงใจไว้ก่อนแต่ถ้าเรามีกําลังพุโทโธได้เราพุโทโธไปดีกว่าคําถามจากคุณโซค่ะทําไมศีลไม่ทําให้ใจสงบจากอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเช่นการอกหักจากความรัก ทำไมยังทำให้ใจทุกข์อยู่ครับก็เพราะหยุดความคิดไม่ได้ศีลหยุดความคิดไม่ได้หยุดการกระทำทางกายทางวาจาได้เช่นอยากจะไปไปมีแฟนใหม่มันก็ไปไม่ได้ถ้าถือศีลอย่างนี้แต่ถ้าตัดใจมันไม่ได้ใจมันไม่หยุดคิดจึงต้องใช้สติไงสติเป็นตัวที่จะหยุดคิดถ้าอยากจะหยุดอารมณ์หยุดความเศร้าเศร้าใจก็ต้องพุทโธพุทโธไป ถ้าพุโทโธพุธโทโธไปสวดมนต์ไปฟังเทศฟังธรรมไปมันก็จะทำให้ความทุกข์ใจดับไปชั่วคราวเพราะไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจแต่มันไม่ดับจำงถาวรอนเดี๋ยวพอหยุดพุโทโธเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจขึ้นมาได้ถ้าอยากจะให้หายจากความไม่สบายใจอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาประชิญกับเรื่องที่มันทาให้เราไม่สบายใจ เป็นแฟนตายไปแล้วอยากให้กลับมามันกลับมาได้หรือเปล่าแล้วอยากมันอยากแล้วมันทําให้เราสุขเรื่องให้ทุกข์อ่ะก็อย่าไปอยากมันเขาตายไปแล้วก็กลายเป็นผีแล้วดูความจริงเลยกระดูกกระเดือกลายเป็นกลายเป็นขี้เท่าไปหมดแล้วต้องเผาไปหมดแล้วเหมือนตอนที่หนูก็ไม่ได้คิดอยากให้แฟนดีใช่ไหมคะอ่านั่นแหะอย่าไปอยากอย่างเดียวมันก็ไม่ทุกข์แล้วพอไปอยากให้เขาเป็นนะย ในสิ่งที่ก็ไม่เป็นมันก็ทุกข er ์เลยเขาตายแล้วอยากให้เขาเป็นก็ทุกข์เขาอยากเขากินเล้าอยากให้เขาหยุดกินก็ทุกข์เขาไม่ดีอยากให้เขาดีก็ทุกข์เขาไม่ดีก็ปล่อยก็ไม่ดีไปมันเรื่องของเขาอ่ะนี่คือเนี่ยความอยากมีอยากเป็นเนี่ยมันทําให้เราทุกข์ยั้นถ้าเราใช้ปัญญามองความจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงเกิดแล้วดับมันดับแล้วอยากจะให้มันกลับมาได้ยังไงมันหมดแล้ว ก็ยอมรับความจริงต่อไปมัน ก, ทก็ทุกครั้งที่ถึงแฟนมันก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะเราปล่อยวางเขาปล่อยให้เขาไปแล้วไม่อยากให้เขากลับมาคำถามจากคุณออตโตค่ะระหว่างดูลมหายใจหรือบริกรรมว่าพุโทโธหรือบริกรรมว่าตายตายจะทำให้จิตรวมได้เร็วกันคะลองดูเสีมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจิตของคนไม่เหมือนกันเหมือนเหมือนกับอาหารที่เรากินนี่ กินแล้วอิ่มเหมือนกันแต่บางคนออิ่มกินง่ายกินยากใช่ไหมถ้าไปกินของที่เราไม่ชอบนี่กว่าจะอิ่มมามันฝืนเนี่ยมันต้องคอยยัดเข้าไปแต่ถ้าของที่เราชอบนี้ไม่ต้องยัดมันดูดเข้าไปเลยมันก็ <laughs> <c oughs> เหมือนกันวิธีนั่งสมาธิแต่ละคนก็มีวิธีที่ชอบแล้วไม่ชอบเน้นเราเลือกวิธีที่ชอบถ้าเราชอบตายก็ตายตายตายตา ย, ตา ย, ตายไปคนที่ไม่ชอบตายไ ป, ไปท่านตายมันก็ไม่ไหวมันก็เครียดขึ้นมา ฉันต้องมันแล้วแต่จริตบางคนก็พุโทโธบางคนก็ตายแล้วแต่ความเหมาะสมบางคนก็ดูลมหายใจเข้าออกคนเรามีจริตได้เหมือนกันสติการสร้างสติก็เหมือนกับอาหารมีหลากหลายชนิดบางคนก็ชอบก๋วยเตี๋ยวบางคนก็ชอบข้าวผัดบางคนก็ชอบอะไร KFC บางคนก็ชอบ McDonald ลมันก็ถึงมีร้านอาหารหลายๆชนิดขึ้นมาไง แต่กินแล้มันเหมือนกันไหมมันก็อิ่มเหมือนกันใช่ไหมก็เท่านั้นแหละคาถามจากคุณอัครวัตรค่ะบางท่านบอกว่านั่งสมาธิมากระวังไปไปจะเป็นพรมตรงนี้พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรค ะ, ะที่ถ่านได้สมาธิมันก็ได้เป็นพรมเลยฉะนั้นถ้าได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปก็ต้องไปฝึกปัญญาเพื่อจะได้ไปเป็นโสดาบันปัญสกิฎาคามีต่อไปขั้นสมาธินี้เป็นขั้นต้น พอได้สมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญาแปลงสมาธิให้กลายเป็นโสดาบันให้กลายเป็นส ก, กิดาคามีอนาคามีเป็นผ้ า, าหาัต่อไปคำถามจากคุณทองเพชรค่ะพระหรือคารวาสถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอริยเจ้าสามารถนำธรรมะที่ตนได้ศึกษามาจากตำราเคยฟังมาบ้างนำมาสอนผู้อื่นได้หรือไม่ครับถ้าเรายังสอนตัวเราเองไม่ได้เราไปสอนผู้อื่นทาไม สอนตัวเองเลาให้ได้ก่อนเถอดอย่าไปเสียเวลาสอนคนอื่นเลยพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านยังท่านยังสอนคนอื่นสอนตัวเองไม่ได้ท่านไม่ไปสอนใครพระพุทธเจ้าปฏิบัติอยู่6ปีไม่เคยไปสั่งไปสอนใครเพราะท่านรู้ว่าท่านยังไม่รู้จริงไปสั่งเหมนคนตาบอดไปสอนคนตาบอดแล้วก็หลงด้วยกันใช่ไหมดังนั้นคนตาบอดทําตัวเองให้ตาดีก่อนดีกว่าพอตาดีแล้วก็จะนําคนตาบอดไปได้ งั้ทางที่ดีแล้วไม่ควรไปสอนแต่ถ้าแนะนําบ้างเป็นเล็กๆน้อยๆแบบแบบแบบเป็นภาพรวมทำบุญนะรักษาศีล น, นะนั่งสมาธินี่ยก็พอจะบอกก็ได้แต่ถ้าจะไปบอกรายละเอียดแต่เรายังทําไม่ได้เรายังรักษาศีลไม่ได้แล้วเราจะไปบอกให้เขารักษาศีลได้ไงเรายังไม่ทําบุญแล้วเราจะไปสอนให้คนอื่นเขาทำบุญได้ไงมันก็เหมือนกับแม่ปูสอนลูกปูอะ แม่ปู่บักเดินตรงๆนะแต่ตัวแม่ก็เดินเฉไปเฉมาแล้วลูกมันทําไงลูกมันก็เฉไปเฉมาตามแม่เลยเหมือนเหมือนที่เพื่อนหนูก่อนเที่ยงเนี่ยจะมาขึ้นฟังธรรมะบนเขาแล้วเขาเขาจะมาหาหนูแล้วหนูก็บอกว่าเออวันที่เราไม่ว่าง น, นะจะมาฟังธรรมะไปด้วยกันไหมเขาบอกโอ้ยเอ๋เราไปไม่ได้บอกเรานับถึงสิบยังไม่ได้เลยอ <c oughs> <c oughs> เราหนูก็เลยไม่รู้จักไปิยยังไงก็เลยไม่พูดดีกว่าก็หนูก็พอนึกถึงที่พระอาจารย์พูดว่าหนูก็ยังไม่ได้เก่งอะไรพอที่ไปพูดบอกใครก็เลยเผลอได้แต่ชวนเฉยถูกไหมครับถูกแล้วก็บอกบุญไปให้เขารู้ว่าถ้าเขาอยากจะมาเขาก็มีล้นมานะอมีเพื่อนมาเราบางทีบางคนจะไปไหนคนเดียวก็ไปไม่ได้ก็ต้องมีคนมีคนชวนแล้วก็ชวนแล้วแต่เราไม่บังคับเขาว่าถูกแล้วถ้าบังคับก็เหมือนล่างหมาไปอาบน้ำ ไพอเขาบอกว่าเขาจะมาที่โรงหยาหาหนูไงคะแล้วบอกไม่ได้ไม่รับแขกมาหาตอนเย็นหนูก็อบอกว่าพอเขาบอกว่านับหนึ่งไม่ถึงสิงหนูไม่รู้จะพูดยังไงก็แสดงเขาปฏิเสธแล้วล่ะเขาบอกคุณไม่รับแล้วไงอออขอบคุณคำถามจากคุณพากินค่ะขอพระอาจารย์แนะนำคำว่าปัญญาปัญญาอบรมสมาธิหน่อยครับ คือบางคนนน้นั่งสมาธิด้วยการใช้จรินสติแล้วมันไม่สงบเลยพุทโธพุทโธไม่สงบนะแล้วก็สวดมนต์ก็ไม่สงบ ก, ก็ใช้ปัญญาปัญญาก็ฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งตรงนี้เปิดฟังธรรมะไปฟังไปเข้าใจเข้าใจจิตก็สงบได้อันนี้ก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ รเราคิดอย่ทางปัญญาคิดว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตอนต้นก็นั่งแล้วก็กังวลกับเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้พอเรามาคิดทางปัญญาว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้ก็เลยหายกังวลมันก็ปลงได้ตัดได้จิตก็สงบได้แต่ไม่สงบแบบเป็นสมาธิเต็มที่นะสงบจากความกังวลสงบจากความฟุง้งซ่านเพราะตอนนั้นพุโทโธไม่ได้พุโทโธเอาไม่อยู่ พุทโธพุทโธมันก็ยังไปห่วงแฟนห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกห่วงหลานอยู่แต่พอมาคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องแก่เจ็บตายนะไปห้ามเขาไม่ได้มันก็เลยหายห่วงหายห่วงใจก็เลยหายฟุง้งก็มาดูลมต่อมาพุทโธต่อได้เรียกปัญญาอุณสมาธิต้องใช้ปัญญาบางทีฟุ้งมากๆหยุดมันด้วยปัญหยุดด้วยพุทโธไม่ได้หยุดด้วยการสวดมนต์ไม่ได้ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจ บอกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วเราก็จะปล่อยพอปล่อยแล้วใจเราก็จะหายฟุง้งหายเครียดแล้วเราก็จะมาพุโทโธพุโทโธต่อได้แล้วดูลมต่อได้คุณเชานทัมมิ่งมาบอกว่าสาธุสาธุสาธุค่ะ How you ชเชานคำถามจะคุณดีค่ะพอดีโยมเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิได้ไม่นานปกติจะสวดมนต์ก่อนนอนวันละหนึ่งชั่วโมง มาช่วงหลังจะเริ่มนั่งสมาธิเช้าและก่อนนอนครั้งละประมาณ 15-20 ถึงนาทีนั่งตอนแรกก็สงบดีค่ะแต่มาช่วงหลังนั่งไปแล้วรู้สึกว่าจิตมันเหมือนโครงเรลงเหมือนเรืออยู่ในน้ำโยมพยายามกลับมาที่ํำบริกรรมพุทโธก็ยังคงอยู่ก็เลยเกิดอาการงงเจ้าค่ะว่าเราทำผิดตรงไหนหรือเปล่าควรจะแก้ที่ตรงไหนเจ้าค ะ, ะก็คราวที่ตาสงบมันสงบยังไงลองไปทบทวนดูสิ ตอนที่เรานั่งใหม่ๆแล้วมันสงบมันสงบยังไงก็ลองทำแบบนั้นต่อไปถ้าจะมาถามเราเราจะไปบอกได้ยังไงก็ตัวเราเป็นคนทำเองตอนสงบมันก็มันเคยนั่งแล้วมันสงบก็กลับไปดูสิว่าตอนที่มันนั่งแล้วมันสงบมันสงบยังไงก็กลับไปทำอย่างนั้นต่อตอนนี้มันไม่สงบเพราะมันอยากจะสงบบ้งเพราะมันเคยสงบพอนั่งปุ๊บมันอยากจะให้สงบโดยอัตโนมัติมันไม่สงบหรอกมันก็ต้องทาแบบเดิมทาแบบที่ทำไม่สงบ ไม่ใช่นั่งแล้วก็อยากจะให้สงบถ้านั่งแล้วอยากให้สงบมันไม่สงบมันต้องนั่งแล้วต้องมีพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็ไม่ไปคิดถึงความอยากให้มันสงบถ้าพุโทโธไปแล้วอยากให้สงบมันจะไม่สงบต้องมีแต่พุโทโธอย่างเดียวคุณเชอรันรับายมาว่าไฟอาจารย์ค่ะอโอเคคำถามจากคุณอาคาลวาัฒค่ะ คุณแม่ถามว่าอายุเจ็ดสิบแล้วจะเริ่มปฏิบัติธรรมมีโอกาสจะบรรลุนิพพานบ้างไหมคะอ๋อมีบางคนเจ็ดวันก็บรรลุได้คนพ่อพระพุทธเจ้านี่เจ็วันก่อนตายก็บรรลุได้ขอให้มีคนสอนแล้วคนปฏิบัติเชื่อฟังทมตามท่ันนล้คำถามจากคุณกาญจนาค่ะจิตเกษมในมงคลสูตรคืออะไรค ะ, ะเกษมแปลว่าเราลองไปเปิดในกูเกิลดูเลย แต่แสงก็สุกไม่ใช่นะใช่ไหมจิตสุกไงจิตมีความสุขคำถามจากคุณบันทึกบุญค่ะการรักษาศีลข้อสี่หากเราจำเป็นต้องโหกหกเพื่อให้คนที่ป่วยสบายใจจะจะจัดว่าบาปหรือไม่ครับถ้าบาปมีวิธีแก้ไขยอย่างไรครับบาปอย่าไปพูดความเท็จก็อย่าพูดเท่านั้นเองเฉยๆไปอย่าไปพูดถึงมันคำถามจากคุณวิโรดค่ะ ขอทราบวิธีดับนิวรณ์ห้าครับอ่านิวรห้านิวรณห้าก็เคยเทศสิแล้วไปเปิดดูไปค้นดูขี้เกียจเทศบ่อยเหนื่อยคำถามอต่อได้ไ่มคะอต่อไปเลยคำถามจากคุณไทยคะ่ะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงดูกกลดูใจไม่ทันถ้ามีเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้น ทำอย่างไรดีคะที่จะไม่ให้ถูกครอบงมจิตใจค่ะพุโทโธไปท้องพุโทโธไปสวดมนต์ไปคำถามจากคุณสิริคะ่ะถ้าระหว่างที่ถือศีลแปดจะสอนเต้นรำและเป็นคู่เต้นรำให้เด็กในปกครองได้ไหมคะเขาสอบเต้นรำไม่ผ่านคะ่ะไม่ได้หรอกมันก็เป็นการบันเทิงการเต้นรำก็เป็นการบันเทิง สอนเดินจงกลมสิทำไมไม่ทำไมสอนเต้นํำทำไมคำถามจากปุณละลาค่ะคลื่นของจิตมีไหมครับก็เลยกระแสจิตไงคลื่นของจิตก็กระแสจิตความคิดนี่ไงเป็นคลื่นของจิตเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยมันมันมันก็ส่งออกไปนะคนที่เขาอ่านกระแสจิตเราได้เขาก็รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่คนที่เขามีพลังจิตมากๆเนี่ยเขาจะนับกระแสจิตของเราได้ เวลาเราคิดเครื่องเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่มันส่งความคิดของเราไปใครมีเครื่องรับเขาก็รับฟังได้ครับคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกรรมฐานสี่สิบต่างจากปฏิต่างจากสติปัรฐานสิ่อย่างไรคะมีหลักการนำมาใช้อย่างไรคะก็กรรมฐานสี่สิบก็เป็นตัวสร้างสติไงให้หยุดความคิดต่างๆ เช่นพุทธานุสติก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นพุทธโธพุทธโธไปมันก็จะทําให้ใจไม่ไปคิดอะไรมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสติปัฏฐานสติปัฏฐาน น, นี้ีเป็นการสอนให้เจริญสติแล้วก็สอนให้เจริญสมาธิและเจริญปัญญาสติปัฏฐานนี้สอนทั้งศีล ท, ทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งสติขั้นตอนก็นให้เจริญสติด้วยการให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวาการ การทำต่างๆของร่างกายเช่นเดินยงกลมก็ให้ดูเท้าซ้ายขวาไปก็เรียกว่ากายยกตาสติแล้วเวลานั่งหลับตานั่งนั่งสมาธิก็ดูลมหายใจก็เรียกก็เรียกว่าอนาปนสติอันนี้ก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่แล้วพอได้สมาธิแล้วออกจากสมาธิมาก็ให้พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นดินน้ำนุ่ไฟ เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามมีอาการสามสิบสองเช่นผมขนเล็ดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าท่องเข้าไปเดี๋ยวมันก็จําได้ต่อไปมองเห็นใครก็เห็นอาการสามสิบสองมองเห็นใครก็เห็นเป็นดินน้ํานมไฟไปไม่เห็นพ่อเห็นแม่ไม่เห็นไม่เห็นสามีไม่เห็นภรรยาไม่เห็นลูกเห็นหลาน เห็นเป็นเพียงดินน้ำนมไฟเห็นเป็นเพียงอาการสาสบสองเห็นเป็นเกิดแก่เจ็บตายไปก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายอันนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญานี่คือเรื่องของสติปัฏฐานสอนให้เราเจริญสติเพื่อให้มีสมาธิเมื่อมีสมาธิก็ให้เจริญปัญญาเพื่อให้ตัดความอยากต่างๆที่ไปอยากกับร่างกายไปอยากกับเวทนาไปอยากกับจิตจิตก็จะหลุดพ้นไปถึงพันิพานได้ เห็นแต่ไม่มีกําลังเนีเห็นรู้เนี่ยรู้ว่าซับปิงไม่ดีเขาไม่เห็นเอแต่งตัวสวยๆไม่ดีแต่งไปอย่างนั้นเนี่ยร่างกายมันก็เป็นซากศพเดินได้เป็นผีเดินได้ก็ยังไปเห็นว่ามันเป็นนางงามอยู่นั่นแหลไม่่ไไไดด้้้ถาามมมสันไม่มีกําลังมันไม่มีกําลังมันยังอยากสวยอยู่อยากอยากแต่งตัวให้ผีอยู่แต่ถ้าได้สมาธิป๊อปรีดจับได้ทันทีเลยครับใช่เออออ คำ <c oughs> ถามจากคุณสรยุทธ์ค่ะอปตนาสมาธิได้ยินท่านอาจารย์พูดถึงบ่อยๆมันไม่ยากเลยครับก็ฌ <c oughs> านสี่ไงพุโทโธพุโทโธไปจนกว่ามันจะตกหลุมตกบ่อแล้วมันก็เน่งมันก็เป็นฌานสี่ให้ขยันพุโทโธไปหรืขยันดูลงไปเดี๋ยวมันก็ได้เองคำถามจากคุณเก๋ค่ะตอนนี้ดิฉันเพียรฝึกความเพียรมากขึ้น มีข้อมีข้อสงสัยที่ยังหาคำตอบไม่ได้ค่ะคือกายจะมีอาการสั่นไหวบ่อยๆและค่ยยอยๆแรงขึ้นค่ะแต่ก่อนจะเป็นเฉพาะแค่นั่งสมาธิแต่เดี๋ยวนี้สวดมนเดินจงกรมร่างกายก็มีอาการสั่นไหวหรือแม้กระทั่งใช้ชีวิตประจำวันร่างกายก็สั่นค่ะเกิดจากอะไรคะจะเป็นช่วงที่ใช้สมาธิจดจ่อค่ะอาจจะเป็นโรคสั่นก็ได้ลูก <laughs> <laughs> ไปหาหมอดู ถ้ามันเป็นตลอดเวลามันก็เป็นเรื่องของร่างกายแหละก็ต้องไปหาหมอดูคนบางคนมือสั่นอยู่ตลอดเวลาเอเป็นพากินสันนนื่เป็นอะไรแล้วเนี่ยท่าทา ง, ทางอาจจะเป็นโรคพากินสันก็ได้ก็ควรจะไปหาหมอให้เขาเช็คดูให้เขาตรวจดูคําถามจากคุณนาดาค่ะเท่งโทษคืออะไรครับอก็ไปมองโทษของคนอื่นเนี่ยไปเห็นเขาไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างงี้ไม่ยอมไปดูความดีของเขาเลยความดีเขาก็มีแต่ไม่ชอบดูชอบดูความไม่ดีเนี่ย เหมือนเป็นจริตของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ชอบเพ่งโทษของคนอื่นแต่ไม่ยอมเพ่งโทษของของตนเองตัวเองนี่ความผิดจะใหญ่โตท่าภูเขาก็เหมือนผงทุลีความดีของตอนนี้จะเหมือนแม้จะเป็นแค่ผงทุลีก็คิดว่าเป็นกองภูเขาส่วนคนอื่นนี่ความผิดของเขาแม้จะเป็นเพียงแต่ก็ผงทุลีก็กลายเป็นภูเขาขึ้นมาความดีของคนอื่นแม้จะเป็นกองภูเขาก็มองเห็นเป็นผงทุลีไป น, นี่คือ สันดานของคนที่มีกิเลสมันชอบเป็นอย่างนี้พระอาจารย์ถึงสอนให้มองกลับกันพิกกับให้มองตามความจริงคนเราทุกคนมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีไม่มีใครไม่ดีไปหมดอย่างเดียวไม่มีใครดีไปหมดอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปดูคนอื่นมากดูตัวเราดีกว่าถ้าจะดา่าจะเพ่งโทษเพ่งตัวเราดีกว่าเราจะได้แก้โทษของเราถ้าเรารู้ว่าเรานิสัยไม่ดีก็เปลี่ยนนเสียแล้วเราก็จะได้ดี คนอื่นเขาไม่ดีเราไปเพ่งโทษไงเขาเราก็ไปเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนของเขาเองนอกจากถ้าเราเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเป็นพ่อเป็นแม่เขาล่า จ, จะต้องสอนเขาบอกเขาว่านิสัยนี้ไม่ดีแล้วหนูนิสัยขี้เกียรตินี้ไม่ดีหัดขยันนะขยันคนขี้เกียรติเหมือนคนตายถ้าอยากจะเป็นคนเป็นก็ต้องขยันเพราะคนขยันนี่คนเป็นนี่สามารถทําอะไรต่างๆได้คนตายนี่ไม่สามารถทําอะไรได้ คนขี้เกียจก็เหมือนคนตายเพราะไม่ยอมทําอะไรอะวถามจากคุณสุทจิพากรค่ะหากนิดนิดถึงญาติที่ตายไปแล้วและยังมีทุกข์ยังลําบากอยู่อยากช่วยให้เขามีความสุขตามอัตภาพเราจะช่วยเขาอย่างไรคะก็ทําบุญส่บาตรหรือทําบุญแบบไหนก็ได้แล้วแต่ถ้าเขาลําบากด้วยอะไรก็ทําให้เขาหายลาบาก ไม่มีบ้านอยู่ก็ไปบริจาคสร้างกุฏิก็ได้เอไม่มีเสื้อผ้าก็ซื้อเสื้อผ้าไปแจกเด็กก็ได้แจกคนพิการก็ได้หรือไปถวายซื้อจีวรถวายพระก็ได้เขาขาดอะไรก็ส่งให้เขาไป่พอเเกิดเป็นเปรกคกั่นแหละเปรกไงก็ถึงน้องมาขอไงเปรกก็เป็นพวกที่วิญ ญ, ญาณที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นขอทานไงคำว่าเปรกก็คือขอทานไม่ได้บอกว่าต้องการ าาถ้าก็ไม่ได้บอกก็ไม่ต้องใส่เร า, เร า, เ, ราเราก็ไม่รู้ว่าถ้าก็ไม่ต้องการเราเก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ก็ได้คำถามจากคุณซอยค่ะถ้าคนที่มีอยู่แล้วแต่บอกว่าเรามีมากกว่าเสร็จแล้วก็ให้เราซื้อเอาเปรียบเราเราจะจัดการกับคนแบบนี้อย่างไรคะก็ปล่อยเข้าไปเลยก็จะยังโกหกหลอกลวงก็เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเราพอให้เรารู้ทันเขาย้ายก็มาหลอกเราก็พอแล้วแต่เราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับเขาแล้วอย่างมากก็อยากไปคบกับเขาอย่ากไปใกล้ชิด ก, กับเขาคําถามจากคุณนพลค่ะกราบถามพระอาจารย์เรื่องลุงบัวเผื่อนครับเมื่อได้อ่านไปนิดนึงใจนึงก็คิดว่ามาถูกทางเรื่องการปฏิบตัติอีกใจนึงก็รู้สึกว่าถ้าทําไปอาจเทียน ขออาจารย์เนตเมตตาไขความกระจ่างด้วยครับว่าห<ำ>ากทาไปทําไปตามลุงบัวเผื่อจะเห็นผลเช่นเดียวกับลุงหรือปล่าครับเราไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของแกเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าของชัวร์ก็ไม่เอาไปเอาของไม่ชัวร์ทำไมของของของขายตามร้านที่เรับประกันไม่เอาจะไปซื้อของขอ ง, ของเล่หาบเล่มา ก, ก็มันเดี๋ยวก็ได้ของ ของเทียมขึ้นมาโดนหลอกเขาบอกว่าลูกบัวเขื่อนเป็นลูกศิษย์หลวงตาค่ะก็เรื่องของเขาแหละเขาบอกเขาไม่ได้บอกเราเนี่ะหลวงตาก็ไม่เคยพูดว่าท่านว่าเขาเป็นลูกศิษย์ท่านต้องฟังที่หลวงตาสิไปฟังคนอื่นทําไมยนะถ้าหลวงตาแบบอกอคนนี้เป็นลูกศิษย์เราอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านท่านพูดจริงนยแต่คนอื่นไปบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงตาโดยที่ท่านไม่ได้พูดเนี่ย ลูกศิษย์หลวงตามีเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยจะไม่ใครใครทําบุญกันหลวงตาใครเข้ารบหลวงตาก็เป็นลูกศิษย์แล้วใช่ไหมอย่างเราบางคนก็มาว่างว่าเป็นลูกศิษย์เราทั้งๆ ท, ที่เรายังไม่เคยเจอเขาเลยคําว่าศิษย์จะมีศิษย์หลายแบบศิษย์แบบแอบอ้างหรือศิษย์แบบเ อ, อทําจริงศิษย์จริงๆต้องเชื่อครูต้องทําตามคําสั่งสอนของครูครูบอกให้ทําอะไรก็ปฏิบัติตามนี่เองเรียกว่าเป็นศิษย์ ไม่ใช่ครูบอกอย่างหนึ่งแล้วก็สิทธ์ก็มาทำไปอีกอย่างนังงนจะมาเรียกตัวเองเป็นสิทธิ์ได้ไงพ่อ ค, คะพอดีเมื่อวานนี้ลูกชายหนูมาเยี่ยมหนูที่บ้านแล้วก็พูดถึงเรื่องฟาร์มว่าหนูเออแม่หนูมีหัวหน้าที่ทำงานซึ่งปฏิบัตินี่ัอแม่อีกสามวันบวชทีงพราว่างแล้วบวชแต่ก็ชอบโกหกกับแม่บวช ที่เดียวแม่ไปวัดนี่แหละเหมือนแบบเขายังไม่บอกน้องพี่หนูเอาน้องก็บอกว่าหนูก็บอกลูกชายว่าวัดน่ะก็คือวัดแต่มันอยู่ที่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะปฏิบัติดีหรือไม่ดีพระดีก็มีคนโสมขะมันก็มีหลากหลายอย่าไปสนใจตรงจุดนั้นคือเขาก็บอกอย่าไปเหมารวมว่ามันมีหลายอางอ่ะเพราะเขาเป็นหลวงว่ากลัวว่าเดี๋ยวลูกชายจะบอกว่าเห็นคนเข้าวัดแล้วบอกแม่หวังว่าเขาจะต้องดีไงเจ้าคะก็าก็ดีดีบางส่วนเป็นี่ดีไม่ครบร้อยอะ เก็ยังทําข้อสอบข้อนี้ไม่ได้แต่เขาไม่กินข้าวเย็นได้เขานุ่งนุ่งขาวห่มขาวได้เขาไปอยู่วัดได้เขาก็ทําได้บางส่วนบางส่วนก็ยังทําไม่ได้ก็ต้องอย่างที่บอกอย่าไปเพ่งโทษชอบไปเพ่งโทษเขาส่วนของดีเขาไม่ไ ม, ไม่มองเขาบ้างทีนี้หนูก็จะเอาไปตอบรู้ได้แบบนี้ไปเพ่งโทษเขาให้แยกแยะว่าคนเรามันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีส่วนที่ไม่ดีก็รู้ไว้ว่าไม่ดีส่วนนี้ดีก็รู้ไว้ดี ไม่ใช่พอ<ม>เห็นเห็นปลาปลาทูเน่าตัวหนึ่งก็เลยโยนมันทิ้งไปทั้งเข่งเลยอะอต้องรู้จักแยกแยะอ่าเห็นผลไม้มเห็นส้มเน่าลูกเดืองก็โยนทั้งทั้งเข่งทิ้งไปเลยไม่ใช่อัานไหนไม่ดีก็โยนแล้วก็เรียกมันออกไปโยนทิ้งไปของดีก็เก็บไว้ขายเก็บไว้ใช้ต่อไปได้ดไ้ออคร นี่เรียกว่าปัญญาไงรู้จักแยกแยะแต่ลวงก็บอกไปแต่อาจจะไม่ไม่ได้พบพวกองอนพระอาจารย์เราไม่ได้ดูเพื่อวิพากษ์วิจารณ์เขาดูเพื่อให้เรารู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรเท่า น, นั้นเองเขาดีเราก็รู้ว่าเ้าดีเขาไม่ดีเราก็รู้เขาไม่ดีเราไม่ได้ดูเพื่อจะเพ่งหาโทษของเขามันดีกัากูต้องต้องหาไอ้พวกนี้มันจะพวกชอบเพ่งโทษเพราะอิดฉ้าเขาเห็นเขาไปบวชแล้วมันดีกับเราตัวเองไม่ดีก็เลยต้องหาโทษ ของเขาเห็นว่าเอาเองโกหกอยู่ในวะพวกเนี่ยพวกอิจฉาเพราะตัวเองด้อยกว่าเขาทําไม่ทําแบบเขาไม่ได้ไปบวชแบบเขาไม่ได้ก็เลยต้องหาช่องไหนเห็นว่าโกหกคําเดียวก็เลยเอาเลยอแค่นั้นหนูจะได้เอาคำพากย์เวลาพูดเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้เอาไปใช้ได้ให้ดูเฉยๆเราอย่าไปอให้รู้โทษรู้คุณแต่อย่าไปเพ่ง หมดแล้วยังมีเยอะเลยค่ะพระจ่อีกคนคอถัพอแล้วนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลามีใครอยากจะถามมั้ยที่นี่<อ>ถ้าไม่มีก็ขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำมัซเนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ